บุกทูยี่สิบหกอตอสตเอกสธรรมชาติปูเบาชิเบชคุณเห็นหอคอยตรงนั้นไหมครับฮีดาวิกกอชกสขฮดาวิก คุณเห็นภูเขาตรงนั้นไหมครับเขดาวิกมทัสเขดาวิกมทัสคุณเห็นหมู่บ้านตรงนั้นไหมครับเขดาวิกโซเพลสเขดาวิกโซเพลสคุณเห็นแม่น้ำตรงนั้นไหมครับเขดาวิกมดนารส คุณเห็นสะพานตรงนั้นไหมครับคุณเห็นทะเลสาบตรงนั้นไหมครับผมชอบนกตัวนั้น อิสชติมมซสอิสชติมมซสผมชอบต้นไม้ต้นนั้นอิสเรมมซสอิสเรมมซสผมชอบก้อนหินก้อนนี้อสความมซสอสความมซส ผมชอบสวนสาธารณะแห่งนั้น s Park m o n m n s, <parking> <S ผมชอบสวนนั้น i s p a r m o n m n s, <parking> <S ผมชอบดอกไม้นี้ e a s q u a l l m n s e s q a l ผมว่านั่นมันสวยวพครเอสชเพครบเอสเชเียผมว่านั่นมันน่าสนใจพครอเพครบเอสไซนเตรสัวผมว่านั่นมันงดงาม พิครบ์เอสซาลลมาซียผมว่านั่นมันน่าเกลียดพครเอสอพิครบเอสูชนวผมว่านั่นมันน่าเบื่อพสพิครบเอสมูซนีย ผมว่านั่นมันแย่ The pickup is s a c i n e l i a The pickup is s a i n e l i a